เทศอบรมพระวันที่21ธันวาคม2520เทศดินเหนียวติดหัวว่ามีงอนเรียนสั่งสมกิเลสต้นยางก็โดนได้ถ้าไม่ดูทำของจริงมีเต็มตัวก็ไม่เห็นถ้าไม่ดูไม่พิจารณาเทศทุกเวทนาจนถึงไม่มีอะไรตายและ พูดสติปัญญาอัตโนมัติกันนี้ดีปลุกใจดีเผ็ดร้อนพอประมาณใครๆฟังอัดได้ บ, าาบวชมาแล้วไม่ได้เช้าอบรมเ้วยความสนใจอะไรแต่นะ้าไปอยู่นะั้นตวอยู่ผู้ดวงไปเรื่อยไปว่านนะะถแ้าผู้ดวงอะไร เพราะว่าปฏบัติมันสร้างเป็นนี่มันก็ขวางเลยทีนี่คือไม่ได้อบหลบ لو. ไม่ได้สนใจขนมหลบเท่าที่ควรแล้วมันจะเป็นคนสมบัติที่ตรงไหนเขาพาหลวงนาเพลินพิสาแล้วมันพิเศษอะไรตรงนั้วมันก็เหมือนกับไม้ของตนอ่าน ม, มันีนไหมก็ดีเฉยนเกิดประโยชนดีต้องถือว่าดีใหญ่มันไม่เกิดประโยชน์เลจากคาว่าดีนะถ้าไ ม, ม่วมาทาประโยชน์แกากันั น, น, น, นุยตของในชํางนมันจะประโยชน์ขึ้นมาเป็นบ้านเนเรอนแนะ่คนเหมือนกันท่านง ตัวบวชถัดไปวายุไม่สนใจข้อวัดปฏิบัตินีแต่ความเกลียดข้าญออกหนาออกตาลํานึ้งเด่นแต่ความที่เกลียดมากง่ายดึงหลับทำหลักขึ้นในเข้ามาเพ้วยความที่เกียดที่ฆ่านั้นเกลี้ยงทำลายแหลกหมดรอดหาคุณสมบัติที่ตรงไหนจากความปีติข้าไม่มีเลยข้าพระมุสลิมไม่เคยข้าแบบนั้นความขยันหมันเพียงมีสติกระจ่างมีความสนใจต่อข้อวัดปฏิบัติ คือขาบบีญในมีนความสนใจเจิดต่อกับพระว่าสัมพันธ์ซอพร้อมที่จะปฏิบัติตามเสมอเพื่อความคล่องแล่เพื่อความพอพอใจนั่นมันถึงจะดีได้หากไชื่อแต่นางของพระชื่อแตนนา ง, งพระรองมาคุมทิศทากับตัวเป็นพร ะ, ะเอาดีในความเป็นพระเพือ คำพูดเป็สัญญาล้มทิ้งเไม่เกิดประโยน์ทั้งนั้นประโยชน์ที่กินไม่อยู่ยนึแค่นะบวดพอเป็นเครื่องประกาศให้โลกทราบว่าวนี้คือเพศนั้นหนึ่งระบพื้ตัวอย่างนั้นอย่างนั้นตามเพศนี้บอกบังคับอยู่แล่นี่เท่านั้นคุณวัดพุทธแต่เมื่อจับตัวข้าราการไปทำงาน ตาแบบหนึ่งหารเครื่องแบบหนึ่งคนงงเรือนราชการองเรือนแบบหนึ่งอต่ไม่ดีก็เยอะนั่นเนี่ยเดขึ้นบบเจ็บทำสามนาทีเลวที่สุดอะไรนะใจก็วตัวทำ ปทท ก, ก, ก, ก, ก, ก, กปฏิบัติจริงๆทำไมจะไม่รู้มาเองทรรมกย่อสอนด้วยความจริงจิงทุกอยา่างทุกแง่ทุกมุมผู้ปฏิบัติทำไมจะมารู้หนึ่งท่าต่อปฏิบัติใมนจริงทำหทำขบอกุเจอันนี้หนุนร้นอนๆทุกเด็กสนต์ร้อ น, นญญว่าพระบ๊บครัวอาจารย์ก็ตื่นตะมุกสร้างตักวกับเขาได้ จะมู่มันดูอืมฮึมหนึ่งตัว ง, งานงานไหนจะเป็นงานจะมีแต่เรื่องอดไรของงานของศาสนางานของพระของนี่งานนี้มีทุกอย่างภูมิคุกมบัติที่จะให้งานที่จะให้งานนั้นสำเห็จ ไปได้ทุกความชื่นชมความอุตสาหนะวิรญาณฉันทัพว <c oughs> ิญญาณกิตติมังสาพร้อมในงานทุกชิ้นไม่ว่าชิ้นน้อยชิ้นใหญ่มีสิ่ ง, งนี้นจดจ่อแน่นหนาอยู่เสมอความพอใจในหน้าที่ทางงานของผมวนะิญญาณความทักเพียง งานให้เป็นเป็นความสาเร็จยึดตาความปรักนันเป็นความปับเปลี่ยไ่ต่องานมีมังสามีความฉลาดยึดอ่านใ่ตรองงานนั้นๆนี่เพยงเท่านี้ถ่านโอิทธิบาทเปิดเพื่อนเพลงความสำเร็จ คอปนวนตนี้จากนี้ไปไม่ได้อะไรจะสเร็จก็ต้องไปจ้าแยจัทำฤทิ์ห่างเหมือนจับทำสี่อย่างแล้วาันก็เร็จไปแล้วฤทธิ์ในสัตเป็นสมาธิปี่ปชื่อ ัญญาก็รีนแต่ชื่อมุกเรียแต่ชื่ออ่านแตชื่อเรียนแต่ชื่อทองกันเอาชื่อมาเป็นสมบัติเป็นมรดกนิทานเป็นความเนความประหลาดของตนยิ่งเหนียวติดหัวเขาจะลมหนาวขึ้นมาเยยิ่งทนที่ถือมานันเพิ่มความสาคัญตนยิ่งกว่ภูเขามันเป็นปรยอะรอย่างเรียนเพื่อสะสมเกลิ่อไม่ใช่เรียนแค่เกลื อ่านเรยยนเข้าใจดีร pues nope ู้ที่ตัวไหนเข้าใจเนื้อพยายามปฏิบัติตามนั่นท่านสอนว่านยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเพื่องสัมผัสเป็นต้นแล่วตอนนี้ก็ครอบโลกธาตุแล้วนายยินดีทำอะไรมันถึงจะมายินดีเวลาน้จิตันเป็นไปด้วยความยินดีรูปมันก็ยินดีเสียงยินดีกลิ่นมันก็ยินดีรสก็ยินดีสัมสัมผัต่างๆมันยินดีทํานยินดีทำหน้าที่มันัวพัน อยูด้วยความยินดีตลอดเวลาฟังนอย่างลึกด้วยแต่เราไม่ให้ยินดีจะแก้ไขในมันทุกเมื่อจะยินดีน่าียกไปรู้วสติปัญญานี้แล้วมันจะไม่ล้าได้ไหงฉันบอกว่าให้ยินดีไม่ไม่ยินดีด้วยเหตุใดเราจะพิจาีณาเหตุใดมันจไม่ยินดีอดีนี้มันยินดีไม่ยินดียินร้ายนะฟังดีให้องกลาง ไม่ติไม่ให้ชมพิจารณาลงตามความคิดของมันล ง, งการความคินั่นก็เหมอถ้าเดินทางก็ไม่ได้ออกนอกทางแลยโกงแน่ เ, เลยลับมากินมาอยู่ที่ไม่ยินดียินไลายคนที่จะไม่ยินยินไลนี่ก็ต้องพิจารณาเห็นดัเกเจ็เราเปีปยังไงถึงดี รูปไปโขมันไม่ยินีไมไม่ยินดีรูปเชง่างมันไม่ยินีมันไปทำไมไปยินดีในบางสิ่บางอย่างที่ไปรูปเหมือนกันเป็นภาพเหมือนกันแย่แยดูมนเห็นทุกแหน่ทุ่หมูจะไปไหนนักโลกระมังคินเหมือนกันตอนนั้นไม่เอาจริงเราจำเอ ชื่ อ, อยงไอันนี้ตัวจริงอยู่ะครับอันนี้ น, น, น, น, นั่นแหละไ้ทำจริงออกจริงโนจังตามหลักธรรมหลกอนทรีย์่ะหาผลมาจากไหเกิดไม่ได้คนครูบาอาจารย์ท่านดำเนินมาดำเนินไงแตเราไม่ยึดหลักที่ครูบาอาจารย์รพระพุทธเจ้าพระธรรมสมาเป็นน เล่้ยวไปดรงันหนักเล่้ยวไปเลยจิตไม่เคยอยู่กับตัวความจริงจะ มันล้นตัวก็จะว่าเต็มตัวเลยล้นตัวไปไหลไปกระจายทั่วโลกทั้งสารมันก็ไม่เห็นทําให้ดูคนยากทั้งต้นมันก็โดนได้ทนได้ทพาั้นไม่เห็นเก็ไม่ดูนะ้าตาบอดตาไม่บอดมองไม่เห็นแบบเมือม่อเมื่อมองมองไม่มีกระตุกตางโดนกะตุกจน ลมหัวแตกมันก็ไม่อห็นของมีอยู่นั่นมันโดนได้ไม่ว่าของเล็กของใหญ่ถ้าไมา่ดูมันมเห็นมันโดนได้ทนได้ของจริงมันเต็มตัวเยอะทำไมไมันไ่เห็นสอนไม่สอนผิดเลยศีรษะลงมานะะักขา่างตาแต่โตดูพื้นดูฐานดูความเป็นอยู่ของมันก็เห็นได้อย่างชัดเจนมันไปลงได้อย่างไง โค้ยมันหลงอยู่แสดงว่ามันปีนเกี่ยวกับธรรมเงี้มันก็จีบกระหลกครบครัวฟาดมันไป ไ, ปไหนถ้าเราอยากรูอยากเห็นของจริงของของจริงมีหรือแค่ใจมันจองกันงหะมันทไมันไม่จีิงการทำมันจะฝืนทำไปไหนถ้าไม่ใช่จิตพา้ฝืนเวลานี้เรามาฆ่าจิตทำไมกิ่งต้องให้มันพาฝืนไปเรืยฝืนความจริงมันะ ดูทุนเหตุทุนผลพิจารณาทุนเหตุทนผลด้วยความจริงจังทาไมจะไม่สิ่งเหนี้นะสิ่ความสําคัญ ม, มากนมายต่างๆที่ปีนเกี่ยวกับธํามนี่แลเป็นเครื่องปกปิดจิกใจไม่เห็นก่อนสิจะเป็นอะไรมาปกปิดมีอะไรมาปกปิดไม่มี ความสำคัญมันหมางตัวเองทีกินปีเรียวทำตึกความจริงไม่มัมนก็ไม่เห็นทำความดีความแบกบความถามอยู่ทั้งวันทั้งคืนมันดีเลยใจว่าบุญขุนบ่อยเลอาเวลาหาความจุกที่ไหนมีในพระสงฆ์พระไม่มีพระกิจไม่สงบมันไม่สงบด้วย พรายวิธีกล่อมให้สงบสงค้อนไปเห็นเหตุเห็นผลตามความสัตของวามจริแล้วมันจะเห็นไปไหนสิถ้าไม่เข้าสิความสงบหายของบนแล้วเข้าสู่ความสงบยิ่งอ า, านหานี่เคยพิจะนณามาแล้วที่เรียกว่าปัญญารู้มาถึถ้าได้สงบลงด้วยอำนาจของปัญญาแล้วแนบสนิดแล้วลงด้วยความอานหานด้วยถอนมันมาก็อานหาน สงธรรมดาพื่อการกำหนดทางสมถะให้สงบให้เฉยมันก็เป็นอัญญาถ้าสงบด้วปัญญาแล้วมันอาจฐานมากมีจินกล้าเขียนออกมาเพราะได้พิจารณาอย่างนั้นได้เห็นผลอย่างนั้นใครจะว่าผิด ว, ว่าถูกก็ลก็ตามความจริงอยู่กับเราเราเป็นผู้พิจารณาเราเป็นผู้ได้รับผลเป็นผู้รู้ผลในสิ่งที่เราเขียนออกมาหรือพูดออกมา เราอาจฐานต่อความจินที่เราปฏิบัติและที่เรารู้นั้นนี่มันรุ้ในกิ่นแล้วมันจะจะตกลงที่ไหนทํมามันก็ไม่สงทำมาไม่สงบไม่สงบเพราะอารมณ์อะไรนะที่แรกก็ไล่ลมมาตั้งแต่แรกบางครั้งก็สงบลงได้ด้วยการพิจารณาอารมณ์ที่มันวุ่นวาย ที่มันไปวุ่นวายกับอารมณ์น่ายๆอันมันก็ไม่เท่าไหร่บนเวลานี่จะหมอบรากทุกเวทนามันเป็นไฟหมดทั้งตัวเลยอ้าวไปไหนที่จนเกาะทิ้จะเป็นรักไปยินดีอะไรจะยินดีได้ยังไงไฟเผาหัวทั้งร่างกาย เป็นไฟประมงไม่เอาตัวรอบด้วยสติปัญญามันก็ตรงแล้วเพราะไม่ยอมให้หนี่ยงไม่ยอมให้ลกุกตายกันท น, นอ่าถ้าจะติปัญญามี้เอาหาทางออกด้วยสติปัญญาอย่าหาทางออกด้วยความโง่ความมาสู้ไม่ได้นี่คือความโง่หนักสู้ไม่ได้แล้วถอยออกมานี่คือความโง่อย่าออกมามเป็นเด็ดขาดหัวขาดให้ขาดไปอะไรไม่มั่นคงให้ขาดไป จออกมาด้วยความโมาง่แบบนี้ไม่ยอมออกเอาให้ออกด้วยความฉลาด อ, ออกทุกรอดพ้นจากทุกไปด้วยความฉลาดบางาอางก็ปักของนี้ไม่มีทางออกเหมือนไปปิดประตูตีหมาเอขี้แต่ให้มันแตะในห้องเด็กเอาเป็นแล้วก็เป็นเอาขี้ทะละกออกพยานั่งหอมทลัไปเยี่ยมจะล่าก้วยความล่างไปไม่ยอม เราในบางคำ ข, าขนาดนั้นมันจะออกมาไม่ได้เอาที่นี่เศรษฐีปัญญามันจะออกด้วยวิธีตลาดออกวิธีโม่ออกพี่พี่โ ม, ออโม้นั้นออกไม่ได้หม่ออกออกด้วยการถอยทับกับแพ้เนี่ยมันออกไม่ได้เอาออกแล้วยความเท่าไหน่ทุกอย่างทำมาเป็นของจริงมาเป็นแต่ขั้นพุทธการขอนพุทธการในการไห น, ไหนว่าเป็นของจริงอยู่แล้วท่านทุกเป็นของจริงพิจาราให้อยู่ สมุทัยก็เป็นทางของสิง่งหนึ่งมาพิจารณาละถอให้ได้เรืงอุบายของสติปัญญาจะเป็นนิโรดขึ้นมานะคือความดับทุกขึ้นมาโดยเด่นเหมืนไม่มีทางออกของสิ่งก็สู้ทีดต่อสู้ที่พิจารณาพ้นคพลเนั่นทุกมากเพราะอะไรมันยิ่งขุดค้นไปที่ตรงนั้นเทียบเคียงกปให้ได้ทุกสัตว์ทุกส่วนทั้งส่วนร่างกายทั้งส่วนพิจาณาทั้งส่วนจิตที่ไปเกี่ยวข้องย้อนกลับไปกลับมาตลบทบทวนไหม ถ้า ส, สี่ร้อยสี่พันผลมันอยู่นันแต่ไม่ยอมกระแสจิสตยแยกออกจากนานั่นเลยบางครั้งผมก็เข้าใจทุกจะดับไปหรือไม่ดับกปไม่เป็นปัญหาถ้าลงสติปัญญาได้รอบแล้วมไม่หวัน่นจิตไม่หวัน่นเห็นเป็นความจริงทุกสิตทุกอย่างบรรดาที่มีในส่วนร่างกายดุเวตนาที่รากฏดขึ้นมากน้อย ต่างอันก็ต่างปีไม่กระทุกกระเทือนกันทุกจนถึงขนาดแตกก็แตกไปแต่ใจไม่กระเทือนเพราะรู้รอบแล้วว่าทุกเป็นทุกกลายเป็นกายจิตเป็นจิตไม่ให้อันนเหมือนเดียวกันด้วยปัญญาที่เห็นชัดแจ้งแล้วในขณะที่พิจารณานี้นย่าบอกอ้อด้วยความชัดก่อนผอดพิจารณา เป็นเราเป็นของเราพอโท่ษเลยแบกขามอะไรมันยิ่งหนักยิ่งน้อนด้วยเพอาะยิะ่งนา้ำแยกแยกกันเห็นต่างจริงๆน้่นมันก็ปล่อยปล่อยแล้วต่างกันต่างจริงการการพุกเวทน า, าก็ดับหรือพุทธเวทนาแสดงอยู่ยางเป็นที่เต็แมแบบเท่านัก็ตามจิตก็ยิ้มได้อย่างเท่าไบเพราะไม่กระทอจิตเลยมันแยกกันได้แล้ว ม, มันต้องชัดอางนั้นในการพิจารณา ถาพิาด้วยปัญญาอย่างเอ า, เอาจริงเอาจริงเอาเป็นเอาตายเขาว่าเวลาเห็นมันเห็นหนึ่งนั้นรู้รอย่างนั้นดีๆ <c oughs> พิจารณาข่าวหลังเราจะไปอุบายของเก่าปีกุฎอดีตมาใช้กันไม่ได้ต้องหาใหม่ปัญญา <c oughs> เอาปัญญาเก่าที่เคยใช้แล้วมาใช้มันไม่ได้มันเป็นอดีตไปแล้วเพราะการปฏิบัติต้องมุ่งผลตรงต้องมุ่งปัจจุบันเสมอจิตให้ลงปัจจบันพิจารณาในวงปัจจุบัน มันจะเป็นบายเหมือนเก่าก็ตามแต่ถ้ามันเกิดในปัจจุบันเราเอาอบายเก่ า, า, า, น, า, านั้นมายึดมาเป็นเครื่องมือใช้มันเป็นอดีตมันไม่ได้ผลอยู่เพื่อที่จ ะ, ะได้อย่างนั้นวันนี้เป็นอย่างนี้ว่าเป็นนะั้นเอาจนกระทั่งถึ ง, ถงเหตุถึงผลกันประจับเช่นเดียวกับวันข่าวเอือมด้วยบายปัญญาชนิดไหนก็ตามชนิดนี้ก็ตามชนิดเหมือนก่อนก็ตามถ้ามันเป็นปัจจุบันขึ้นมามันก็แก้กันได้ มันรู้ทัศน์นาแล้วแม้แต่ความตายมันก็ไม่เห็นกลัวอะไรคำว่าตามมันหลอกกันเฉยๆวางหลอกด้วยคำโม่งน่ะไม่ใช่ตั้งใจหลอกกันกลัวตายด้วยความงู้ความสมคัญกลัวหรกันว่าเปล่าวางมันไม่มีอะไรตายนี่การพิจารณากระบวนการินเนาะธาตุมันตามื่อหดินน้ำลงไปมันไปตายเมื่อไแต่้าเขาดินน้ำลงไปมีที่ไหน แล้มันมาเป็นรูปเป็นหน้ามันก็มาจากดินหน้าลงไปมันกผสมสว่วนกันมีจิตมีแก้วตัวการยนั้นเปลี่ยนลนักษณะธาตุขีขึ้นมาเล็ก ๆ, ๆน้อยๆก็มาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายขึ้นมาโอาหลมกันอยางนี้ทั้งๆมันเป็นธาตุเดิมขึ้นมันอีูนั่นแหละอย่างนี้่นาถึงความคิดมันแล้วถึงขั้นตายตายอะไรตายน่ะหาไล่หานี้อะไรตายเนี่นยทำไมถึงกลัวตายนะ ไล่ลงไปไล่นลงไปอเวลาเราสลางไปนี่อะไรเป็นอะไรอะไรที่หาอะไรไม่ขี่หายสลายงไปนี่ดินก็เป็นดินน้าเป็นน้าลมเป็นลมไฟเป็นไฟใจก็เป็นใจอย่างนี้ยิ่งขณะพิจารณานั้นมันยิ่งเด่นเด่นชาตใจเห็นได้นชัดรู้เด่นว่าเป็นหนึ่งจากสิ่งเหลนี้อย่างทัดๆเลยไม่สงสัยแล้วอะไรตายจิตมันก็ไม่ตายเมื่มันก็รู้อยู่เด่นๆนี่อะไรก็ตายแล้วกลัวอะไรกลัวลมกลัวแรที่ไหนะ แมทุกเวทนาที่เกิดขึ้นในขณะตายมันก็เวทนาหน้านี้แหละหน้าที่เคยเป็นอยู่เวลานี้ที่เราพิจารนาอยมันจะหน้าไหนมาหลอกเราได้เมื่อเรารู้ชัดเจนและวันนี้คือทุกเวทนาเป็นอย่างนี้เป็นความจริงอย่างนี้เวลาจะตายมันจะทุกข์นะเวทนาต่อมาจากไหนมันก็ต้องเป็นความจริงวันด้านไขา อ, อาถานไม่กลัวเลยตาก็ตายไม่มีอะไรตาย ม, มีแต่ความสลายของธาตุนี้ออกไปจากกันระสู่สภาพเป็นของตน ก็เป็นจิตนะรู้ได้ท่านขนาดนั้นมันจะกลัวเนี่อยพิจารณาอย่างนั้นรู้อย่างนั้นจริงถึ่ได้อ่านได้หาได้ได้พอได้ที่ก็วันหนึ่งแล้ววันหนังมันยิ่งอ่าถฐานทีเพราะมันมีเครื่องมันมีต่อสู้เคยเห็นผแนมแล้วโยบายวิถีตั้งก็่เด็กมันจะยอมแพ้ ไ, ไม่ได้ขุดกระนุงไปอเวลามัน ผมลงถึงความจริงเต็มที่แล้วต่างงานต่างจประการหนึ่งอีประการหนึ่งก็ดับหมดกายมันก็ไม่มีเหลยหายเนียบแต่มาต้องกาญนะการพิณนาวต้องการได้กายมันหายหมดนี่ไม่ได้นะมันเป็นเองจิตถึงจะรู้แต่สํองการมันเป็นความต้องการแต่มันไม่ทับมันดับเกิดความต้องมันเป็นความต้องการที่มันไม่ดับแต่มันเป็นผลเกิดขึ้นจากตัวเองจะมือ เก็นขึ้นในตัวเองจากการระดับมันถือเป็นปฏจจธรรมปฏิจจังรงู้เองสิงเียเป็นผลขึ้นมาในวงปัจจุบันมันเป็นธรรมเห็นประจจที่พิจารามางนนพิจารณาเท่าไหรงว่านัอาจมีัหาถ้าลงนับตังแล้วความแพ้ไม่มีบ า, างเอาตายประตายเลยเถอะแต่จิตนี่มันผิดจิตท้างหลายจิตผม มันจริงกันมันเจริญเหมือนหินหักามาต่อกันไม่ได้เราต้องรู้ว่างั้นดวยเหตุผลแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอุงอื่นไปไม่ได้เม้่ตาก็ต า, ายไปเลยเราจะมาแก้ไขเปลีป่ยนแปลงจากเหตุผลที่ถูกรอกแล้วนั้นเป็นไั่ น, นะเด็ดเปนเด็กเด ก, การผุดธรรมา น, น, นั่นเองมันหนักที่สุดเอาลมถึงเป็นถึงตายกันด้วยถ้าเราจะเที่ยบกับเด้วยจินด้วยมือด้วยมือจริง มันจะเพียงปากสอนนิ้วมือหนึ่งสอนหมุ่เพื่ อ, อนรูด้ดาวา่ากล่าวเป็นพูนเป็นไปก็เป็นพูนเป็นไปจะ เ, เสียงแต่ะฝีป่ากก็เถิดไม่ได้ถึงตี่ถึงมือจับมัดก็เหมือนเราจับมัดเราเหมเรานีาา้จับมัดเราหรือจับมัดยังไงอา น, นั่งนี้ลุกไปได้นะนั่นตั้งจัดจากนี้ถึงเวลาเท่านั้นเช่นจนกรพรรดินี้คือระท่านสว่าง นี่เป็นเวลาที่จะลดค่าสุดทั้งนั้นเป็นก็เป็นตายก็ตายที่ตรงนี้จะเคลื่อนค่าไปไม่ได้ะจะเระะับปัจฉะว่าอะไ ร, รอยู่ไม่ได้เอาธารักออกไปตื่นข้ามาล้างได้ทั้งเกิดมาใหม่ใหม่ไม่รู้ภาษาภาิาสามขี่รถตักพ่อแม่มีสักกี่ครั้งจิตคนนี่คิดที่รถตักเลยไม่ได้ลดดูกก็เลยไม่ได้เลยไม่ยอมมีข้อแม้ให้มา มีข้อแม้เล่นตั้งแตปัตตะอุตระมันจะพยายามหาทางออกยาจิบปวดออหมาเราต้องสู้ไห้ได้เจราะมันจไม่มีข้อแม้ไรมีข้อแม้เฉพาะครูบาอาจารย์เป็นความทุกขเถิ่นเกิดขึ้นในวงวัดพระในวัดเกิดทุกพิเศษจะเป็นจต่ต า, ามออาเราคือคำว่าขืนไม่ร้เนี่ยเรายกเว้นให้แต่เราแน่ใจว่ามันไม่มี หากว่มีก็ออกจากนั้นเพราะความจาเป็นมันเหนืออนี้เดี๋ยวกระหมูนาคูวาอาจารเราให้ยกเป็นข้อสุดท้ายสําหรับเราเองไม่มีเลยถ้ามีมันจะออกช่องนั้ำเสมอแค่นี้ก็เลยไม่เห็นดำเห็นแดงกันมัดกึ่งไปเนี่ยสนของสอนเร้่องมัดนถึงเอาถึงตัวถึงตนถึงเต็มถึงมือพูดยังไงเอาจริงๆเอาฟาดฟาดลงไปตาก็ตาย ออนมูก่นมนันเ ป, นปา ก, ปาปปปปากยุ๊ปดุเขา่ไปะดูด้วยปาก่มดุเจของมันเอาทีมนจเอาเป็นก็เป็นปาาตากระตาขนาดนัน้มันมันจะไม่หนักไงไม่ยอนไมลุ ก, า ก, กตากระตาูโลกของตางนั้นเรานําภานาเป็นชนี้จะกลัวตายหรอือออกไปแล้วมันทำไมตายหรอือว่าเนี่ยมันย้อนกันปัญญา ถ้าออกมาแล้วไม่ตายก็ออกได้แต่โลกคนตาทั้งนั้นเกืดอนหยู่บนกระปั่นชัของสัตว์ของบุคคลทั้งนั้นเขาไม่นั่งสมาธิเขาตายถึงเวลาแล้วตายนี่ธรรมชาติตัวตายล้วแต่นั่เครื่องนนทำงัมความดีของเราธรรมชาติตัวตายไม่มีทางออกก็ขุดคนน้นลงไปเวลาจนกอกมันเกิดสติปัญญาคนเรามันไม่ได้มงอยู่เวลาเวลาจนกอกนั่นแหละมันหาทางออกคนได้มีไมาหาต้องออกทั้งโง่นะสอนอยนี ออกทางโง่ด้วยความทอ้อแทบเด้วยความทอถอยอย่างนั้นไม่เอาสู้ไม่หน้าไม่เอาให้ออกด้วยความสลริญหนังเกของมันดัออนงนั้นออกด้วยความเนะจริญจริงแต่ว่าคุยก็คุยคือออกด้วยความสจริออกจากทุกขเวทนาที่มันกำลังนั้นเรื่อุบาวิถีอยู่รู้เท่าทันมันจิตไม่เข้าไปยุ่ง พัวพันกับมันมันก็สบาอื่อ อ, อกะด้บพิจาราแต่่อไม่เป็นอย่างนั้นเวลาพิจารณาเข้าไปแล้วมันแ ย, ยกันได้เห็นไม่างครับเดียวจนเกะมันรู้ได้เพราะเรากินอาจังตอนนั้นไม่กินไม่จังก็ปานจริงอยาว่าง่แล้วแต่พิจารณาอยางก่อน ทุกจะ เ, เกิดเกิดขึ้นนี้จะดับหรือไม่ดับก็ช่า ง, งทุกเถอะเราไม่ไม่ต้องการาอยาให้มันดับซึ่งจะเป็นการเพิ่มพิเนตขึ้นมาที่เรียกว่ตัวสมุนไพรภาวะตัญหาอยากให้เป็นดับอยากให้มันหายเราต้องการแต่ความจริงความจริงมีเท่าไรเราขอรู้ทั้งนั้นวันนี้มีทางทำยกมืองขึง้นสาทุกวันนี้สัจะทํามีทุกข์สัตว์เป็นต้นมีเท่าไรขอแสดงให้พระบ า, าทนี้มีหมดจะพิจารณาจนกระทั่งถึงเวลาเท่าไหร่ทำมาถึงเวลานั้นอาตาก็ตาย เอาสาธุแสดงให้เต็มที่วันนี้จัดตามองกมีข์ข้าพเจ้ายอมรับจกนกระทั่งห็นถุกจัดเป็นความจริงนอกจากมันตายไปเยอะเทนั้นมันก็สุขใสน่นี้ก็ทํางานกระแสที่คิดจะที่ไปไหนไม่ได้ถ้าลงไม่ทุ่มลมข น, นันแล้วจะคิดได้เยเอะออกไปข้างนอกนานไม่ได้น่าจะไม่มันจะไม่เป็นทุกข์เลกาก็เป็มไปด้วยปืนด้วยไปคือความทุกข์ ร้อนเป็มไเหมือนในร่างกายก็ดูทุกข้อนทุกทิ้งทุกอันเหมือนจะมันจะแตกกระเด็นออกจากกันผิวหนังก็เหมือนไฟเผาอยู่แม้แต่ข้อมือมันยังมอนก็จะขาดจากกันที่เรีวมันบอกร้อนหลังมือที่วางทับกันความบอกร้อลั้นนี่เป็นเรื่องเล็กแต่เราเป็นจริงข้อมือแต่และข้อละข้อมันจะขาดกระเด็นออกจากนั้นจากกันมันถึงกลางมันก็ดูทุก ที่ต่อกันมันเหมือนจะแตกออกไปเพราะมันเจ็บมันปวดมันเสียบมันแทงเหมือนหอกเหมือนเหลาขึ้นขึ้นมาทุกแง่ทุกมงแต่สติปัญญามันไม่ถอยนซ่กันจนถึงตายว่ะเวลาบรรลุนั่งก็ไม่มีอะไรกําลังเคยได้ผลหนึ่งล่ะเรานี่สัยอยากมันต้องทําแบบหยากนะมันต้องทันเลย แล้วมงในทุ่มขนาดนั้นคทีไรก็ทีนั้นไม่เคยพาดกันเลยต้องเห็นความอัศจรรย์ที่เหมือนทุกครัง้งความอัศจรรย์นี้ไม่เคยชินกันเลยอัจารย์แสดงขึ้นเมื่อไรก็รู้สึกว่าเป็นของอจาจรรย์อย่างนั้นตลอดไปน่จาจิตาจเหมือนเราลักอาหารอย่าอาหารนี่นักคำเชินทั้งต่างๆโอ้เบืออง น, นี้าอาจารย์ไม่มีทางเบือ่อ มีผู่มความจิความจงความง่ของตลาดเป็นิ่งที่เราคลิกมันได้แก้มันได้แก้จากง่ให้เป็นตลาดแก้ได้เถิดอบายช่วยตัวธรรมะทั้งหมดเป็นบายช่วยตัวทั้งนั้นความจิมเมือนกันเราเป็นเต็มคำวนารได้เรื่องหกเลยนี่เปเริ่อวินารวบปิงานงานการต่างๆื่นกระเ้ คิดมันติดที่สุดก็คือพิจารณาทุกเวทนายืนไม่ตั้งอะไรเลยแหลนี่มันลำบา ก, ก, ากที่ทรไหนแต่มันร่นมันอาถารละความขายนันต้องบอกหมุนตี้ยมตี ไปถึงสติดปัรญาอัตโนมัติด้วยแล้วไม่มีอะไรในสาวความขี้เกียจหายไปไหนหมด ม, มันหนอยู่งั่ทั้งวันทั้งคืนอยู่กับใครก็อยู่ไม่ได้มันเสียเวลาเช่นหยุดทั้งนั้นไปคุยกับเขาหยุดทั้งนั้นไปคุยกับพระกับชาวบ้านไงานต้องอุดทั้งท่านที่มีสติอยู่มันก็ต้องหยุดเหมือนเราก็ลังเขียนหนังสือมีคนมาหาถึงเราจะไม่ลูกจากที่เขียนก็าตาม ในขนาดนั้นม็นเขียนไม่ได้จับปากกาอยู่ก็เขียนไม่ได้ต้องพูเดึกเขาเรื่องเวลาความรันจะมาเขียนได้นี่ก็ผ่านเวลาเวลาตรงนั้นการอยู่คนเดียวมันหมุนที่อยู่อย ม, ม่ได้ถึงเวลาอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้จริงวนี้จะเอาจะเอาตลอดเวลาด้วเวลาทนีนี้ต้องเป็นค่บมีค่าเยอะเปินไมรับเล เวลาบางขยันมันมันจะไหนดีนะบา ง, งทีพอพิเศษไม่มีน้อยหน้าไปหมดเลยเพอะตื่นพักกับงานปิดทำงานมันวม่เห็นกันแล้วปั๊ไม่ต้องบอกถ้าติดไม่ทรามันเผลอเป็นไปไหนไม่ปรากหนักอางทีทั้งวันทั้งคืนเล่นตลักเท่านั้นมันติดเงน่นกับงานนั่นตลอดเลวลาแม้แต่ฉันในห้อมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรถกับชาันติเกี่ยวหวานเชิงอะไรเล มันทำงานมาดปมันจะมีรถมีเ่าไรหาเงินทำเงนั่นแหละทอะไรแลไวมันก็ไม่ปล่อยงานงานภายในมันไม่ปล่อยนี่มันอตโนมาติ้ากมบังคับบรรนอกก็ย้ำๆเอาไว้เดียลำพิจารณาเพิ่มจนเคยเดิดเคผลมันเหนื่อยจิตใจคือความคิดความตุงมันเป็นงานของจิตเมื่อคิดมากพิจารณามากมันก็ทำให้เสีย มันก็ไม่ถอยมันมีเดืพิจารณาเรื่อยๆเพราเห็นผลจากการพิจารณาเสมอเสมอละในถรงนั้นรู้เท่าตรงนี้เข้าใจตรงนั้นไป เ, เ, เรื่อยๆพอเข้าใจตรงไหนมันก็ปล่อยวางนครับเข้าใจทุกปัญญามันปล่อยๆนั่นไงเดี่ก็ต้องยับยั้งบังคับกันไม่ให้ทํางานเพราะมันจะตายแล้วเพลินนอนมันก็ไม่หลับเพราะมันทําเพลินในการงานไม่ยอมหลับอือ นั่อยูม่มันก็พงานนอนให้หลังมันก็พิจารต้องใ น, นบังคับปัญญามัน่างนบังคับให้กระสุนป้องกันี่ก็ต้องถูบงังคับ่ก่อนก็ว่าแ ก, เก้เรื่องความสงบพอหมดป้ามีลงแนวเลยรอันเดียว่านั้นมันมีอะไร ม, รคมร่ความรู้ลวนแนวแต่ความรูม้ล้วนหมาความรู้นบ่งสมทให้มายถึงความรู้ที่พสจากวิชานี้ยเี้ยถอนมานก็ทกระเทือนสิ่นั้นสี่นี้นั่นอนันำคาล ข้าวแล้วปั๊บปั๊บจมามีระยุ่งนี่มันก็ชํานาญมาไม่ได้คุยโยสมาธิเขาจะมาตุ่มก็ยากอยู่ว่างั่นหนึ่งเวลามันออกนั่นพอเห็นคุณค่าของทางน่านปัญญาแล้วมันกกลับมาเห็นโทษของสมาธิว่า น, นอนตายเฉยจะกว่าไม่เห็นปิจิรานยีน่งมันก็ไม่อยากจะเข้าเอยจมาแต่มันก็ผิดอุทักจากความฟุ้งเกินตัว ติดในความฟุง้งเฟือยถวงตัวตรงร่างเข้ามาบังคับเข้ามาให้เข้าสูขข่ความสงบสงบไม่ได้มันควาไปจนเอาพุทธโธหนาขนาดนั้นมาบริการพุทธโทธที่ยิบยเลยพอแยบบุษฐ์ทางหาหนามจะไปหาหนามบังคับกับพุทธโธพุทธโธเป็นกระทันแน่วเพราะมันจะตายอยู่แล้วนี่ เนื่องจากงานมันเปนเงินเ็อยูทั้งวันทั้งคืนเขบังคับเขาพิถุพุทธตั้งใจบังคับจริงๆอย่างนี้อันนี้ต้องมีบังคับทีให้สงบต้องบังคับการทํางานหรืการพิจานณาเพ่ว่าไม่ต้องบังคับอืมเป็นเงินไปเองแต่ว่าจะให้สงบนี้ต้องบังคับพอสงดลงไปมันมีกำลังมีสบาย อ่อนนิ่มแบบสมาลเบาทุกปอยนันิแนวพอถอนเอพอถอยออกมาทันปั๊บแล้มาป๊เอาเลยทีนี้รู้สึกว่าผิดกั น, นาอะมันรู้ดได้อย่างรวดเดียวคล่องแคลวิดตัิดมเป็นยางไงเราก็เริ่มลงคุณค่าของสมาธิโดยก่อนเราจะสมาธินอนตายไปเลวลา หากห้ามปิดจากการพิจารณาเข้ามาสู่สมาธิในขณะที่เข้าสู่สมาธินี้ก็มีความสงบร่มเย็นสบายพอถอนลงไปแลก็เหมือนกับคนมีกําลังวังชาจากกา ร, รนั่ถอนนั่งหลัเลือกทาํานไม่มีกําลังแล้วทํางานแล้วก็เป็นชิ้นเป็นอันมีกําลังวางชามี่วสมาธิอบรมสมาธิอบรมปัญญาสมาธิปริอันมีสมาธิปริภัยกับปัญญามหาพลาโหมถมหาจักงชา ขณาที่อันปัญญารวมแล้วจะมีผลมากเหนามสผลมากมีมกความค้องแคล่วว่องไวไน่านใจเหมือน็มีที่ได้รับแล้วฝัน้ำกขาดไปเลยปัญญาที่มสมาธิอบรมก็คือให้ในาพักตัอยู่มีแล้วกว่าที่น้ำคล่อแคลว่ว เราเนื้อถนัดใจของเราเป็นสติสปัญญาอัตโนมัมติตัวทั้งโดยาการทําหมายหา ร, ร, รือหาปัญญาคือเป็นไปอหนุนตัวไปตัวมาตั้มันกิเลสมันขึ้นไปหมดมันถึงจะอยู่ถ้าเัามีอยู่มา ก, มากมน้อยจคุ้ยเฉียบปุดคน้นหายมันไปเพราะฉะนั้นไม่มีแล้วคําว่าจะแพ้อะไรคืนถูกกิเลสจะมากิเลสประเภทไหนก็ตามาจะไม่ยอมแพ้น่าจะให้ตายบนเวทีถ้าเป็นนัก น้งวงไปต่อนาตายานี้งคาว่าแพ้มาให้หนึ่งอ้าวถ้าแพ้ก็ตายอยู่ตรงนั้นเลยบนเวทีเลยนี่เอาตายไปส น, นามรอบนี้เลอืมหรไม่ใช่มันจะละ้ม ด, ด้วผู้ารืตลอดเวลาถ้าเราฝึกขัดกินาจังมันต้องรู้ต้องเห็นด้วยอย่าเาพูดกันอย่างปล่าเปาพูดแบบโมฆะไม่เกิดประโยชน์ เอาควาจริงมาพูดทําเป็นของจริงพยาสอนเพื่อความจริงผู้ปฏิบัติให้ปฏิบัติจริงเรารู้จริงเห้จริงตามส่วนทำนั müsst, ้น ร, าา ร, รือตามกําลังเจตุปัญญาขั้นต้นเราไปว่แก่กล้าสามารถจริงทะลุเปนหมดวงานางนั้นําเร็จแล้วมันก็แสนสบายงานอะไรจะไปะยุ่งยากวุ่นวายละเอียดละอ่อนของงานกรรมาฐานงานของพระงานพระพิชณาก็าาาาคืองานเจริญภาวนาสมถถิปัชนานี่แหละ เจสาลงมาณ์นักาดวงตาปตะโจอุปทานมอบให้แม้ทั้งแต่วันบวชนี้คืองานของพวกเธอทั้งหลายท่านทั้งหายน้งานนี้ไปทํําทาให้สำเร็จพอทํางานนี้สำเร็จแล้วก็โลิศวุชิตามธรามใจอย่างเสร็จกิจมาสัตย์นาของเสร็จงานนี้งานนี้คืองานท้ดแกวามงานตอบถนที่เหล็กอุปทานที่มันเป็มั่นถึงมั่นในผมผลได้ฟันหนัาเนื้อเอ็กระดูกตล่าอาคารสามีสองทุกส่วนทั้งภายนอกภายใน มันดีดได้หมดเวลาพิจารณาคลี่คลายต่างความินแล้วมันปล่อยได้หมดเราสร้งถึงวิชาไม่มีเหลือแล้วนหลัก ง, งานทำไรงานเบื้องต้นท่านเอานี้ให้ะก่อนเอาอย่างๆเนี้ยให้ก่อนเจริญมาเจริญไปสุดพอพิจารณาเข้าใจแล้วมันจะคืน่าตไ ป, ไปในงานเรายละเอียดทั้งหลายเพราะมันเรติดัญญาพอตัวที่จะพิจารณาส่วนายละเอียดมันเขมดได้แล้ว ถ้าทะ ล, ลุพอทะลุไปแล้วเสร็จงานดินเสร็จได้าดงานศาสนางานสร้าสิงศิลป์มาเสร็จแล้ว่องสบายเดี๋ยวก็อยู่ไปตาต่ตาไปไม่เห็น น, นี้กำหนดกฎหมายในเรื่อการสถ า, านที่หรือว่าเวลาพบหน้าพบหลังอไม่สนใครเสียหรืแเปล่าเรื่องสมมติทางนั นิเรศจะเป็นสมมติถ้ามันมีอันนี้อยู่มันก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับสมมติเหล่านั้นถ้ามันไม่มีแนละ้วจะเอาอะไรไปเกี่ยวเนี่ยวัดเอโกอนัทโผล่เป็นที่พึ่งตนโดยลํำพงอง ม, มีกระทำมงมีทําแท่งเดียวกับความโดยสึกเอจีพาวูมีกระภาพเปลียนเดียวเท่านั้นไม่สองก็ผิดลเลย น, อ ะ, น, นอะ อ, นอธิบายอนธะิบายท่านสอง พูดาามาแล้ครับมันเหนือยวันนี้รู้ตึ